50. มาตุคาตะกะวัตถุว่าด้วยคนฆ่ามารดาขอบรรพชาห้ามคนฆ่ามรรดาอุปสมบท 112. สมัยนั้นมานพูหนึ่งได้ปลงชีวิตมารดาเขาอึดอัดระอารังเกียรบาปกรรมนั้นต่อมาเขามีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงทำการสาสางบาปกรรมนี้ได้ คิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักกยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักกยบุตรด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงทําการสาสางบาปกรรมนี้ได้จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีว่า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 ที่อุปสมบทแล้วเพิ่งให้ศึกเสียวงเล็บห้า